ตำนานเที่ยวบินสุดท้าย G311 เที่ยวบินที่มีขาไปแต่ไม่มีขากลับ สัมผัสสยองหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องผีมามากมายผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยได้ฟังเรื่องผีมาไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะชอบฟังรายการเดอะช็อคเด g ะโกดหรือไม่ก็สัมผัสสยองมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมจำได้ดีเลยอยากจะหยิบมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันเรื่องมันมีอยู่ว่า ในเวลาเที่ยงวันของวันที่31กรกฎาคม2535เครื่องบินของการบินไทยเที่ยวบินกรุงเทพกาดมันดุ TG 3 1 1หนึ่ง่รืองบินแ i r b บั A 3 1 0รหัส HS TID โดยเตรียมลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวันกรุงกาดมันดุประเทศเนปาลหามกลางสภาพอากาศอันเลวร้ายจากลมมรสุมที่พัดกระหนำ่ำ เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่มีแต่ขาไปแต่ไม่มีขากลับเนื่องจากเครื่องบินประสบอุบัติเหตุบินชนภูเขาชีวิตของผู้โดยสารและลูกเรือทั้งลำทั้งหมด113ชีวิตต้องดับสูญซึ่งเป็นลูกเรือ14คนและผู้โดยสาร99คนหลังจากเหตุการณ์นั้นไฟต่อมาเครื่องก็ลงตามปกติพร้อมลูกเรือไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้น และก่อนเครื่องบินจอกเดินทางกลับประเทศไทยผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนก็มาสวดมนต์กันขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตได้ไปสู่สุขติขณะเตรียมออกเดินทางลูกเรือคนหนึ่งเห็นแอร์โฮสเตสใส่ชุดไทยคาดรุ้งริงยืนอยู่ด้านนอกตรงทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารกับเครื่องบินพอหันกลับไปทีก็ไม่เห็นแลว้ว ก็เลยคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่ก็รู้สึกกลัวอยู่เลยเปลี่ยนให้หัวหน้าลูกเรือพอลเซอร์มาช่วยยืนบอร์ดแทนเพราะบอร์ดเสร็จก็ส่งเอกสารอะไรเรียบร้อยขณะที่หัวหน้าลูกเรือกับแอร์โฮสเตดกำลังช่วยกันปิดประตูก็เห็นลูกเรือกลุ่มนั้นที่เสียชีวิตกำลังวิ่งมาที่ประตูเครื่องร้องขออยากไปด้วยและมีสีหน้าหวาดกลัว ทั้งสองคนจึงรีบปิดประตูเครื่องแล้วมองลอดออกไปก็เห็นลูกเรือยืนร้องไห้กันอยู่สภาพแต่ละคนดูไม่ได้เลยน่าสงสารมากหัวหน้าลูกเรือเลยยกมือไหว้ขอขมาสวดมนต์ขอให้วิญญาณ น, นั้นกลับบ้านด้วยกันแล้วไปสู่สุขติเพราะจากสภาพที่เห็นดูเหมือนกับว่าพวกเขาที่เสียชีวิตนั้นอยากจะกลับบ้านมา หลังจากสวดมนต์เสร็จหวกเขาเหล่านั้นก็หายไปหัวหน้าลูกเรือและแอร์โฮสเตดจึงรวบรวมสติและความกล้าเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพื่อรับดวงวิญญาณเหล่านั้นเข้ามาจากนั้นเครื่องก็บินกลับประเทศไทยแล้วทั้งสองคนที่เห็นก็คุยกันว่าอย่าบอกเรื่องนี้ให้กับลูกเรือท่านอื่นหรือผู้ใดยสารได้รับรู้เดี๋ยวจะทําให้พวกเขากลัวกันไปหมด ขณะที่ลูกเรือเสิร์ฟอาหารให้ผู้โดยสารอยู่นั้นก็มีผู้โดยสารทักขึ้นมาว่าทำไมวันนี้ลูกเรือเยอะจังเลยบริการดีมากแอร์ที่ใส่ชุดสีเขียวสวยจังฝากชมด้วยแต่จริงๆแล้วในวันนั้นไม่มีใครใส่ชุดเขียวเลยเพราะทุกคนไม่มีใครใส่สีสดใส่ชุดไว้อะไรกันหมดเมื่อได้ยินดังนั้นก็ทาให้ลูกเรือทุกคนกลัวกันหมด แต่ก็ไม่ได้บอกให้ผู้โดยสารรับรู้เพราะถึงกรุงเทพที่น่าเกตก็มีพระขบวนคนและญาติจํานวนมากมารอเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตหลังจากจอดเครื่องเสร็จเรียบร้อยกัปตันก็บอกว่าตอนที่เข้าเกตอยู่นั้นได้ยินเสียงคนมากระซิบที่ข้างหูว่าขอบคุณมากครับกัปตันตอนนั้นกัปตันขนลุกเป็นทั้งตัวเลย สุดท้ายทุกคนก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพถึงเรื่องราวของเหตุการณ์นี้จะผ่านมา ก, กว่า20ปีแล้วแต่มันก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่สร้างความหวาดกลัวและความหลอนให้กับลูกเรือทุกครั้งที่ได้ยิน สมภัทส